องสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันอัชุรอแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นสุนนะในวันอัชุรอรวมถึงสิ่งที่ค้านกับสุนนะของท่านนาบี ส, สุลต่านนะครับพรุ่กนี้ก็ถือว่าเป็นวันอัชชุรอนะครับเพราะว่าวันที่สิบ เดือนมูฮัรรอมซึ่งในประเทศไทยมีผู้เห็นเดือนนะครับก็วันพุทธที่ผ่านมาหือสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาคือวันที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันที่สิบใครที่ประสงค์จะเที่ยวซินอดในวันอัชชุรอครับคืนนี้เราก็เนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาทานซาฮุดสักหน่อยเพื่อจะได้ตามสนุนัขของท่านนาบีสุลต่านละมั่นละมีชัลลัน ล, น, ล, น, ลนะครับเพราะว่า การถือศีลอดวนันอัชรานนั้นผลบุญของมันก็คื อ, อยกฟรูอัสนทะที่เมื่อวาลบล้างบาปหนึ่งปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าโอ้ยบวชไม่รู้ตั้งเยอะละบาปไม่เหลือละ <laughs> อ น, นะอุลฮิจาที่ผ่านมาก็ถือวันอารอฟฟัอีกวันอารอฟ้าชนี่สองปี ปีที่ผ่านมากับปีที่จะมาถึงแล้วเนี่ยปีนี้ย้าใครบวชวันอัลอัลฟาก็คือปีนี้ก็ลบบาปไปอีกเอาแล้วแล้วมาถือสี่นดอัชุรอแล้วมันจะลบบาปอะไรอีกในเมื่อลบไปหมดแล้วพี่น้องครับเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเอรางวัลที่ Allah Taala จะให้เราเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นอ่ะเรียกว่าเป็นเอลมูลไกรเป็นสิ่งเร้นลับล l l a h บอกเราหรือเปล่าว่าบาปเราเหลือเท่าไหร่ฮะ หรื อ, บอรบบของเรารึเปลว่าผลบุญเราเหลือเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับมีการอธิบายของบรรดาอุลามะอย่างเช่นอิหมัมอันนาวีอิหมัมอันนาวีซึ่งเป็นอุลามะใหญ่ในมาสยิดชยัยเฟนได้อธิบายว่าการลบล้างบาปเนี่ยเวลาที่ฮะดิษของท่านอบีบอกว่าลบล้างบาปสองปีหรือหนึ่งปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมุตินะครับอุลามะมีความขัดแย้งกันมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางคนบางท่านก็บอกว่า การลบล้างบาปเนี่ยเฉพาะบาปที่ไม่ใช่บาปใหญ่ไม่ใชไม่ใช่บาปใหญ่หมายความว่าถ้าคุณยังทําบาปใหญ่อยู่แล้วคุณมาถือสีดวันาชูรอเนี่ยบาปใหญ่ยังอยู่อีกไหมฮะก็ยังอยู่ยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องเตาบัดตัวบาปใหญ่นี่ต้องเตาบัดตัวแต่ว่านะฮะบาปบาปเล็กเนี่ยลบหมดและถือวันอาราฟัชด้วยถือรมอนตานอะไรด้วยถือวันอาชูรอด้วยบาปเล็กไม่เหลือ เราตระลาภัยให้หมดแต่บาปใหญ่นี่มันยังอยู่นะเพราะฉะนั้นอิมมนอวีบอกว่าถ้าสมมติว่าบาปเล็กเนี่ยโดนลบหมดเพราะการถือศีลอดของเราอะไรพวกเนี้ยแล้วเรามาถือศีลอดวันอัชูรออีกท่านบอกว่าอลเราตระลาจะลดความความอะไรเครียดความาความหนักหนาของบาปใหญ่ลงมันอาจจะไม่ลบทั้งหมดแต่มันสามารถจะลดความหนักหนานของมันได้ หรือถ้าสมมุติว่าบาปใหญ่ก็ไม่มีบาปเล็กก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วเราถือสิญจน์อันอัชุรออีกไม่รู้จะลบบาปไหนแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอัลลอฮฺสุบไบร์ตัลจะเพิ่มดราจาตหรือเพิ่มระดับขั้นให้กับเราเพราะฉะนั้นไม่เสียเปล่าการถือสิญจน์ของเราในวันอัชุรอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลบบาปเราเพราะบาปของเราหมดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เสียเปล่า เพราะว่าผล บ, บุญจากการถือศีลอดเนี่ยจะไปเพิ่มระดับชั้นของเราระดับชั้นของเราในวันอัคราสในสวรรค์เพราะฉะนั้นการขยันทําอิบัตดัสมะลลัคสุบฮานอตะอลาการที่เรามุ่งมัน่านาทําความดีต่อหลอกสุบฮานตะอลาโดยที่ไม่เกี่ยวนะครับไม่มองว่าโอ้ oh, ทํามากแล้วการที่เราคิดว่าเราทําอิบัตดัสมากแล้วเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อัลตะอลาห้า ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอิบาดัตดก็ดีการทํางานการเรียกร้องเ ช, ชิญชวนไปสู่อิสลามก็ดีเวาลาจำนุนตัตน์ศิรอย่าได้เ <c oughs> วาลาจำนวนวะอย่าได้ทวงอย่าได้พูดว่าอ oh, ุ้ยมันเยอ ะ, ยอ ะ, ะเยอะและ้วทําเยอะแล้วนะครับมุสลินจะไม่รู้สึกว่าตัวเองทอําอิบัตดเยอะแต่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นทําอิบัตต่อลระเจ้าอัลลอฮฺยังไม่เพียงพอ เอาง่ายๆถ้าสมมุติเราจะบอกว่าเราทำอิบัตต์ต่อรัชบาต่ละไม่ได้ต้องการลบบาปหรอกหรือไม่ได้ต้องการยกระดับตัวเองในสวรรค์ของพระองค์ต่ละเอาแค่ต้องการทดแทนเนื้อเมตที่พระ์แต่ละประทานให้กับเราเนี่ยมันก็ยังไม่พอครับทำตลอดชีวิตก็ไม่พอไม่พอ ก็อีแค่จะเอาเข้าสวรรค์นี่ก็ยังไม่พอทําอิบาดัดของเราเราทำตลอดชีวิตเนี่ยจะเอาไปเข้าสวรรค์มันไม่พอสวรรค์กีป่ปีเราจะมีชีวิตอยู่ในสวรรค์กี่ปีร้อยปีโอ้ยพันปีเยอะ ก, กว่าหมื 10, ่นปีไม่รู้เราจะอยู่ในสวรรค์ไม่รู้อันเอกอั น, น, นั้นอินฟินิตี้ ฮะไม่มีจุดสิ้นสุดคอลีดีนะฟี่ฮะอาบาะิบัดันอินฟินิตี้ที่เราจะอยู่ในสวรรค์เนี่ยถ้าเรามีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยปีแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทําอิบัตดัต้น ต, ต่อเราเราแต่ละมันก็ยังไม่เท่ากับอายุ ข, ของเราในสวรรค์นึกภ า, าพเอาไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทําอิบัดั้เยอะแล้วมีโอกาสที่จะได้ทําอิบัดั้นทำเลยลในจุดก็อีกหลายปีที่เราจะมีชีวิตอยู่ สู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเท่าที่เราสามารถจะมีพละกําลังแล้วแต่เราจ ะ, ะประทานบรอกัตประทานเตาฟิกให้กับเราอัลลอฮฺจะละมาดูสักนิดเพราะว่าเราเดินช้าเหลือเกินอาทิตย์ที่แล้วได้แค่อายัดเดียวนะครับวันนี้เราอ่านเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เข้าเรื่องราวของสุรทุลมอาริชอ่าเป็นเป็นเป็นเรื่องราวสักหน่อยวันนี้ตั้งแต่อายัดที่6 เราที่แล้วเราหมดไปแล้วหนึ่งอายะห์อาที่ห้าอาะที่หกครับหน้าสามสิบเป็ด أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อู๊ด <م> ีล <ت> า <حد> บ <ث> ิชอกรานี innhum يرونه بعيدا ونراه ق ر ي ب ا ย์ ت م ك ت م ك ต์คูน م สَมาอุคั ت ك มู ا ل ตَูนุลจีบ ولا َ يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبصرونهم ي ا ل ي أ ل مجرم ُُ لو يف จَกทุกข์ทุกขَที่เราต้องทนทุกข์ทร <ت ص في ق> وَ าَีลที่หَั่งไหลวِ ي, ي تُ ั่งว่าศีลที่หลั่งไหِ ي ่าศีลที่ กะลَอิ ا ل ะَّอَลลَฮَนัَ้แท้ต่อชั่ว ท و ل ดู د นัดบา أ วตวลาวจามะฟอาวกาลฮ์ลฮัมร์ลลาันันัมยรวนหูบยีดั ا ทัติฮนะครับมัคทั้งที่แล้วเราบอกว่าอัลลอฮฺซุบะฮลอให้คำสั่งฟัสบิร์ศบรนงามีเลสั่งให้ท่านนาบีสลลอฮอะลัยวะสัลลัมอดทนต่อการถากาักถานหรือการการยกเ ย, ย้ยการเรียกร้องของบรรดามุชริกีนที่ย่อยกเย้ยท่านนาบีลลฮอะลัยวะัลลัมว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้เรียกร้องเป็นความจรงิง ก็ให้ลงการลงโทษมาแก่พวกเขาเลยโดยทันทีทันใดซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนาบี ส, สุลตล า, ล า, ลาไม่สามารถจะทำได้นะครับมันเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานฮอวะตะลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นอัละตะลาก็เลยมีคำสั่งว่าฟาสบิลซาบรอนเยมีแหลจงอดทนด้วยการอดทนที่สวยงามบางทีการอดทนของเรา ก็อาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปเพราะฉะนั้นเวลาอดทนมันจะต้องมีอดทนแบบสวยงามกับอดทนแบบอปิรักถ้าดูตามอายัดนี้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอดทนแบบแบบน่าเกลียดอะถ้ามันมีอดทนแบบสวยงามมันก็ต้องมีอดทนแบบน่าเกลียดลองคิดดูสิว่ายังไงที่เป็นการอดทนแบบน่าเกลียดและยังไงที่เป็นการอดทนแบบแบบสวยงาม นะครับซึ่งอุลามะตับสีรบรรดาอุลามะก็ได้อธิบายว่าการอดทนโดยสวยงามก็คือการที่ อ, อ, อะไรนะเราบอกไปว่ายังไงนะไม่มีความรู้สึกทอ้อแท้และไม่โวยวายรวมทั้งยึดมั่นยืนหยัดอยู่ในการทำงานนะครับไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่คนเหล่านั้น ได้ได้ถากถามท่านนาบีสุลต่ลมันเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาที่เราโดนคำพูดนะคนโดนคำพูดทิ่มแทงหัวใจเนี่ยสุภานอัลลอฮ์อันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากในชีวิตของเราเราเป็นคนธรรมดาลองนึกดูนะครับขนาดท่านนาบีสุลต่ญญาเป็นคนที่รับวะฮยุจากอัลลอ์ุบฮาะตะลาอยู่ตลอดเวลา เรามั่นใจในโลกนี้นี่ไม่มีใครที่จะมั่นใจว่าวัาวนอาครัตจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมากไปกว่าผู้ชายคนนี้ในโลกนี้ในอุห ม, มะนี้พวกเราคิดว่าเรามั่นใจต่อวันอาครัตกี่เปอร์เซ็นต์เรากับท่านนาบีนี่ใครมั่นใจต่ออาครัตมากกว่ากันคงไม่มีละคําตอบอื่นแต่สุบฮานะลอ ผู้ชายคนนี้คนที่มีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะอลาเต็มเปี่ยมยังสะทุกสถานกับคำพูดปลอมๆของมันดามุชริกินนับปร า, าอะไรกับเราเราเป็นคนธรรมดาคนที่ไม่ได้เจอกับจิบรีลเองคนที่ไม่ได้เข้าหาอัลลอฮ์สุบฮานตะอลด้วยตัวเองอย่อมต้องเจอกับเรื่องพวกนี้ถ้าท่านนาบีสุลล่านได้รับคำสั่งว่าจะต้องอดทนอย่างสวยงาม เราก็ยิ่งมากกว่านะต้องอดทนให้สวยงามเหมือนกับที่ท่านนาบีนั้นได้รับคําสั่งด้วยเช่นเดียวกันในสุรัตุลกะได้อธิบายสภาพของท่านนาบีนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆนะการที่เราได้ฟังกับการถากถางการเสียดสีจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันสร้างความปวดร้าวในขณะที่เราหวังดีกับเขาเราพยายามที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ให้เขาเป็นคนดีเคยมีไหมเวลาที่เราเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งเรารู้ว่าเขาทําผิดแล้วเราพยายามที่จะอธิบายให้เขากลับตัวกลับใจเนี่ยแต่เรากลับโดนอะไรเขาเรียกโดนสอ บ, โ ด, สอบโดนสอบนะโดนสอบกลับโดนมันเจ็บใจไหมละเอลล์คบ้าฮิอูนัฟส์คัลลาอัตาริห์มละแต่เราบอกว่าเจ้าอาจจะมีความรู้สึกเศร้าใจหรือเกิดอาการ ไม่ด so ну well. ีจากการพูดของมนุษย <UN> ์ท <S |it|> ี่คิดเพราะฉะนั้นฟอสืบซอบรันจนนีแหละจะต้องอดทนอย่างสวยงามจะต้องไม่รู้สึกท้อใจจะต้องไม่โวยวายจะต้องไม่ไปเอ่อก็เรียกว่าไประบายความรู้สึกนี้กับมักลุกด้วยกันระบายกับใครระบายกับอัลลอฮฺสุบฮาวะตะลาเพียงพระองค์เดียวนะครับทีนี้อัลลอฮฺตะลาก็บอกว่าอินนุมยารอเนหูเบยิดะนับ กลับไปเราอธิบายแล้วนะครับว่าจุดสุร์นี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่คนเหลา่านี้ไม่ศรัทธาต่อวันอัคราเพราะพวกเขามองว่าอินนหุมยาโรนหูเบอิดแท้จริงแล้วพวกเขามองว่าบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมองว่าการลงโทษนั้นอยู่ห่างจากจพวกเขาหรือวันเกียมักเนี่ยจะไม่เกิดกับพวกเขาไ ม, ม, ไ ม, ม่มันไม่มันมันไม่มีเรียกว่า ถ้าไม่ศรัทธามองไม่ออกว่าวรรเดียมัทจะเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงอะโลกนี้อยู่ดีๆแล้วมันจะแตกสลายได้ยังไงดวงอาทิตย์โคจรอยู่ดีๆ ด, ดวงดาวสวยงามอยู่ดีๆแล้วมันจะร่วงหล่นมาได้ยังไงคิดไม่ออกคิดไปไม่ถึงแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องล้นลับเรื่องลึนลับเนี่ยบางทีสมองของมนุษย์ ซึ่งอย่าว่าแต่เรื่องที่อยู่นอกกายเขาแม้กระทั่งเรื่องในกายเขาเองเนี่ยเขายังไปไม่ถึงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนอกกายอย่างวันอาคราจะเกิดขึ้นสวรรค์จะเป็นยังไงนรกจะเป็นยังไงไหนเลยเขาจะเข้าถึงด้วยสมองของเขาเองเป็นไปไม่ได้เรื่องที่อยู่ในตัวของเขาเองเขายังยังรู้ไม่หมดเลยอะ่ะ เรื่องวิญญาณเขาก็ยังไม่รู้เลยเราเองรู้หรือเปล่ า, าวิญญาณของเราเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงสีอะไรหน้าตาแบบไหนเราไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องัทั้งทั้งที่มันอยู่ในตัวเราไหมมันจะงทั้งที่มันอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องลับเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเรื่องว่าเรื่องที่เรามองไม่เห็นมันเป็นยังไงก็คือต้องศรัทธาต่อคาสอนที่อรตะลาบอกแค่นั้น ล l ะ a h เป็นผู้สร้างเรา Allah เป็นผู้สร้างโลก Allah เป็นผู้สร้างจักรวาลล l l a h เป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ Allah เป็นผู้สร้างดวงจันทรน์แล้วพระองค์ก็บอกว่าไอดวงอาทิตย์ที่ฉันสร้างมาเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะดับถ้าจะไม่เชื่อผู้สร้างเราจะเชื่อใครตรงนั้นหรอเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นมองไม่ออกอินนาฮุมยาเราณอุบายดะคนเหล่านี้มองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ มไม่ไม่เกิดขึ้น impossible ง่ายๆเลยพอตัวเองไม่ศรัทธาเนี่ยก็มักจะมักจะมักจะมีคำนี้มาทันทีเลยมันไปไม่ได้เราไม่เชื่อสมองรับไม่ได้ในขณะที่เราเรบอตกว่าวนารหุใบในขณะที่เรารู้เราเห็นว่ามันจะต้องมันนิดเดียวมันสามารถที่จะเกิดได้ทุกเมือ่อ ทุกเมื่อตราบใดที่อัลลอฮฺทรงตั้งใาต้องการให้มันเกิดมันสามารถจะเกิดได้ทุกเมือ่อถ้าจะให้เกิดพรุ่งนี้ก็เกิดได้ถ้าจะให้เกิดตอนนี้เลยก็เกิดได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในอยู่ในการกำหนดการควบคุมของอัลลอฮฺสุบฮานะห์ทั้งสิ้นจริงๆแล้วถ้าเราใช้สติปัญญาของเราให้ดีใช้สติปัญญาของเราตามที่อัลลอฮฺทรงตั้งาบอกให้เราใช้ ในการให้ครวนดูมะคลุกของพระองค์เนี่ยเราดูกฎธรรมชาติของล้องสุภาเราแตาล่ลซึ่งคืออธิบายหลายครั้งแล้วนะครับว่าทุกอย่างที่มันเป็นกฎธรรมชาติหรือสุนทนุลลอ g ฟิลเกากฎธรรมชาติที่เราละละละละสร้างมาเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกแล้วดูการต่างๆที่มันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่รัา์กหนดทั้งสิ้น ถ้าเราสังเกตดูให้ดีแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่มันเกิดทุกวันเนี้วันเนี้ยเมื่อวานวันเนี้ยเหตุการณ์ควันไฟระเบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่บางครั้งเราไม่ทันตั้งตัวมีการเตือนล่วงหน้าไหมมีการเตือนล่วงหน้าไหมว่าควันจะมามีไหมเตือนสักอาทิตย์หนึ่งหรือเตือนสักสัปดาห์หนึ่งก่อนหน้านี้ไม่ไมีตอนที่สึนามิเกิดมีการเตือนล่วงหน้าหรือเปล่าสึนามิจะเกิด วันที่เท่าไ ห, หร่ละ26รูว่าเอวันคริสต์มาสใช่ไหมปี2400ปี24 2547มีการเตือนเรื่องนั้าหรือเปล่าเรามองว่ามันไม่อาจจะเกิดเพราะเราไม่รู้เนี่ยอย่างอย่างที่เราอยู่ตอนนี้เราก็มองมันจะเกิดได้ยังไงสนามิไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตแล้วอยู่ดีดีมันเกิดเราว่ากัเนะี เรื่องเหตุหตการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเราไม่เคยใช้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเชื่อวันอัคราสเลยสักนิดหนึ่ง سبحان อัลลอฮฺมนุษย์นี่ดื้อด้านมากไม่ยอมเชื่อง่ายๆจะเชื่อก็ต่อเมื่อเห็นวันอัคราสอยู่ต่อหน้าอันนี้เป็นคําแถลงการของโลกฟังแต่ละเช่นเดียวกัน ว่ามารอนั้นนสุรทูลคาฟี่มันกัน่นอนที่ Allah อัลลอฮ์ตราลบอกว่าอย่างนงนะ่นไม่มีอะไรที่มากั้นขวางไม่ให้มนุษย์ศรัทธานอกจากพวกเขาไม่เห็นของจริงแค่นั้นเองไม่เห็นของจริงก็เลยไม่กล้าที่จะศรัทธาเพราะฉะนั้นสุหานอัลลอฮ์เราจะอธิบายยังไงบางทีกับตัวเราเองเราก็ต้องหาคำตอบ บางทีกับตัวเราเองแล้วก็ต้องหาคำตอบว่าเราจะอธิบายกับตัวเองอยังไงให้เราเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในการที่เราจะเป็นมุสมินต่อหลอกสุภาษาตอะไรจริงๆแล้วสำหรับคนที่มีสติปัญญาเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ฝุดผ่องไม่มีไม่มีสิ่งที่คอยมาทำให้มันแปดเปื้อนเนี่ยเวลาที่เขาอ่านอาัลกุรอานมันเพียงพอแล้วจริงๆแล้วมันเพียงพอกับอัลกุรอาน เพราะว่าทุกอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันบ่อยมากนะฮะพูดกันอีกเพื่อตอกย้าพวกเรานะครับทุกอย่างที่อัลกุรอานพูดถึงในคำพีของอัลลอฮ์เวลาที่เราไปดูของจริงในบริบทธรรมชาติของโลกมองตะลละและก็บริบทสังคมมันตรงหมดเลยแล้วเราจะไม่เชื่ออัลกุรอานได้ยังไงทุกอย่างที่เราเห็น ที่เป็นมครุก ข, ของล่องสุภาหาา์อัลตะลาเวลาที่เราตั้งคําถามว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็กลับไปหาอัลกุรอานเราจะพบว่าคําถามของเราเนะี่ยมีคําตอบในคมภีร์ของล่องสุภาหาา์อัลตะลาและเราจะไม่เชื่อได้ยังไงว่าอัลกุรอานเป็นของจริงในเมื Al ่ออัลกุรอานเป็นของจริงอัลกุรอานเป็นสิ่งที่เรามันสอดคล้องกันหมดกับสิ่งที่เราเจอจริงๆในตัวของเราเองในชีวิตของเราเอง แล้วอัลกุรอานบอกว่าวันอัคราจะเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่เชื่อได้ยังไงอันนี้แหละครับซึ่งท่านนาบีใช้เวลาทั้งหมด23ปี13ปีที่มักกะในการที่จะให้มนุษย์เนี่ยมาเชื่ออัลกุรอานอ่านอัลกุรอานทุกวันให้สอฮาบฟังแล้วก็เติรบียะบรรดาสัฮาบาด้วยอัลกุรอานอย่างเดียวเลยนั่น ก็ยังไม่ทำให้มุสลิกินทั้งมั ก, กะรับอิสลามนอกจากมุสลิมินไม่กี่คนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของเราในยุคของเราเองก็คงไม่ต่างเราอยากจะให้คนทั้งโลกนี่มามาศรัทธาต่ออัลลอ์สุภาเนาะตาละหมดทั้งโลกเลยเนี่ยคงไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากเราอยู่เฉยๆไม่ได้อ่านอัลกุรอานให้เขาฟัง ไม่ได้อธิบายคําสอนขออัลลอฮฺเราแต่ละที่มีอยู่ในอัลกุรอานให้ชาวโลกได้รับรู้เราหวังอย่างเดียวว่าจะให้ชาวโลกเข้าใจเราโดยที่เราไม่ได้เอาอัลกุรอานไปมอบให้กับเขาเนี่ยคงอันนี้ impossible แม่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของท่านรอซูลที่ท่านรอซูลเคยทํามาท่านรอซูลเคยอ่านอัลกุรอานให้มนุษย์ฟังเราก็ต้องอ่านอัลกุรอานให้มนุษย์ฟัง แต่ท่านราสู่สุลลัลอัสสลามขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ด้วยอัลกุรอานด้วยคำสอนจากวาฮยุของอัลลอฮสุบะฮอเราก็ต้องเอาวาฮยูของอัลลอฮสุบะอลนี่แหละมาขัดเกล้ามนุษย์ในยุคของเราเพื่อให้เขากลับไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบะฮอนะครับม่อย่างนั้นแล้วคำพูดแบบนี้เนี่ยจะยังคงมีจนถึงวันอาคราอินนะฮุมยาเรนะฮูบะอดะคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบนะฮฺวัลลอฮ์จะยังคง เพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เราหนีไม่พ้นนะคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอสสุภาตตะลาจะมองว่าวันอัคราเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่อลอสสุภาตตะลายืนยันหนักน่นว่ามันจะต้องเกิดอย่างแน่นอนหลายที่หลายสุระเกือบทั้งอัลมุรานเนี่ยลอสตะล า, ายืนยันว่าจะต้องเกิดอย่างแน่นอนนะอิลลัฮ่อิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺมะนัสอลุคะย์ยันัน ليس بعده شك إيمانا ويقينا ليس بعدهما شك ولا رجلا م ي ن رب العالمين يوم تكون السماء ل ال مهلي จะเป็นยังไงวันที่ฟาก้าจะหลอมจะกลายเป็นเหมือนของเหลวฟ้าทั้งหมดที่คอยปกป้องโลกเรานะครับไม่ให้ โดนอะไรเขาเรียกรังสีรังสีต่างๆจากนอกโลกมาทําร้ายเราอุกกาบาตต่างๆที่มาจากอวกาศเนี่ยมาทําลายโลกเราเนี่ยซึ่งเป็นชั้นฟ้าที่คอยปกป้องเราอยู่เนี่ยวันอค า, าคระต์ฝักฝักฟ้าเหล่านั้นจะหลอมหลอมละลายเหมือนกับตะกอนของน้ํามันเหมือนโลหะที่ละลายนะครับยวบย่าไปหมดอะไรนะ ในสุราเรน่าที่เราเรียน่มามาอชักมาอฟตระหลายคำที่อัลลอฮลใช้เวลาที่พระองค์อธิบายว่าท้องฟ้านั้นจะไม่แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นท้องฟ้าถูกเปิดออกไม่เหลือท้องฟ้าแล้วเนี่ยนั่นแหละครับถึงเวลานะอุบิลลห์มลลา ว่าจะคูนูร์ิบาลูกันเอละภูเขาจะกลายเป็นขนสัตว์ที่ภูเขาก็จะดุอะไรนะดุกันิลอัลดักกันดักกันลอสวาลตาลาจะเอาภูเขามาอะไรมาเหมือนชนกันมากระแทกกันแลวภูเขาก็จะพันกลายเป็นฝุ่น กลายเป็นเท่าเหมือนกับขนสัตว์ที่ปลิวว่อนนี่คือสภาพของอข ว, و, วัว و, คแคร์ต وإذا الجبال و تكون الجبال كالعهن ล ل ع ه ن ก็คือขนสัตว์ที่ถูกโกนแล้วแล้วมันก็ปลิวว่อนเพราะถูกลมพัด ولا يسأل حميم حميمة มเกมเกิดเหตุการณ์วันเกิ่มัดอย่างที่อัลลอฮฺบแต่ละได้อธิบายในะอายะที่8กับ9นะครับว่าท้องฟ้าหลอมละลายภูเขาก็ไม่เหลือเกิ่มัดละเกิดละความโกลาหลก็จะเกิดขึ้นว ولا يسأل حميم ح م ي م ัน ا ั้น วันที่มีความโกลาหลต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายสภาพของมนุษย์จะเป็นย re ังไงวะลาอีสัลูฮามิมฮามิมก็คือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดจะไม่ถามถึงข่าวคราวของญาติมิตรของเขานี่คือสภาพของเราในวันนี้มั้จะเป็นเหมือนคนเมา เป็นเหมือนคนที่เสียสติเป็นแม้กระทั่งแม่กับลูกก็ไม่สนใจซึ่งกันและกันในสุรุ ج, ตุลฮะจ์อัลลอฮฺตะลาบอกว่าแม่ที่กำลังให้นมลูกเนี่ยจะทิ้งลูกโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกตัวไม่เอาลูกที่กำลังให้นมลูกซึ่งมันเป็นสภาพที่เราเราไม่เคยเห็นโดยปกติแล้วคนที่เป็นแม่เนี่ยเวลาที่ลูกร้องอยากจะกินนมทาไงฮะ ด้วยความด้วยความราหมัดด้วยความเมตตาปราณีในใจของของนางก็จะเอาลูกมาให้คุณผแต่พอถึงวันอาครากไม่ละพระทั้งลาบอกว่าอ่อยูฮันนัสอิตะกรบบคุมวัชชโยมันอะไรนยสุรุตุลฮะจัสรุตุลฮะรุตุลฮะจัสระสรตุลฮจสุะรุุลฮัรตละรตุลฮะจัลรุตุลัุลรุตลจัสรัรุฮตละอัสรุ ย ا เออย الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ي م و م تراونها تذحل كل مرضعة أ م ا أضعف มนุษย์ทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อ a ا ن, ن, ن, ن, ن ه และจงทราบเถิดว่าความโกลาหลของวันอัคราตนั้นเป็นสิ่งที่หนักหนามากวันนั้นเยาว์มาทราพวกเจ้าจะได้เห็นวันนั้น จะเห่าลูกทุกมารดีอรดีตัแม่ที่กําลังให้นมลูกจะทิ้งลูกของตัวเองว่ะวาทุกเจ้าที่ทำเล่ทำล่ฮผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์จะแท้งลูกออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความโกลาหลความน่าสะพรึงกลัวของหวันเกยดมันเพราะฉะนั้นคนปกติทั่วไปนี่ไม่ต้องพูดถึงแย่กว่าอีก พ่อกับลูกนะอัละลอฮฺอออธิบายถึงขนาดว่าอยู ah um ่บัสซารูนะฮ์มอยู่บัสซรูนฮมเนี่ยไอไอการที่เราไม่ได้คุยกับเพื่อนของเราหรือไม่ได้คุยกับพ่อของเรากับแฟนของเรากับลูกของเรานี่ไม่ใช่เพราะเราไม่รู้จักนะเคยกินข้าวหม้อเดียวกันเคยเสื้อผ้าตัวเดียวกันรถคันเดียวกันห้องห้องเดียวกันที่เคยใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าพอถึงวัาอานอครานเนี่ยกูไม่รู้จักมึงมึงก็รู้จักเพราะไม่ ไม่ใช่นะรู้จักเห็นหน้ากันจะจะอย่างนี้แต่ไม่คุยไม่ใช่ว่าที่ไม่ถามหาไม่ถามข่าวคราวเพราะว่าไม่รู้จักชื่อไม่ไม่รู้จักรู้ด้วยว่าเป็นใครเป็นเพื่อนสนิทขนาดนั้นรู้แต่ไม่ถามเพราะอะไรเพราะตัวเองยุ่งอยู่กับเรื่องของของตัวเองเพื่อนของเราก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของเขา แต่และคนจะยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองจนไม่มีเวลาที่จะสนใจคนอื่นอีกต่อไปเอาแต่ว่าฉันจะรอดหรือเปล่าฉันจะรอดหรือเปล่าฉันจะเป็นยังไงวันนี้ต่างคนก็ต่างคิดแต่เรื่องนี้ในขณะที่อยู่ตอนหน้าเพื่อนม่เห็นอยู่ตอนหน้าอยู่ใกล้เคียงกันอย่างนี้เลยสมมุติว่าไปแต่ไม่ถามละมึงก็มึงกูก็กูนับสีนับสีนี่คือความหมายของคาว่าอยู่บสัสซรูนะผมลองนึกดูซิว่าสภาพจะเป็นยังไง ER: เหมือนกับเราที่นั่งอยู่อย่างนี้รู้จักกันหมดไม่เคยถามใครแล้วรออย่างเดียวแล้วว่าเมื่อไหร่อัลลอฮฺทรงแต่ละจะเรียกตัวเราเข้าไปสอบสวนเพื่อรับสมุดการงานทางขวาหรือทางซ้ายไม่สนใจทั้งสิ้นครับ <laughs> จะเสน่หาขนาดไหนจะรักขนาดไหนไม่มีอัลลอฮฺอัลลอฮฺสักร ok ุลลอฮฺอัลลอฮฺเยวดุลมุจริม لو ي ف ت د ي من عذاب يومئذ ببنيح و ن ن คนที ta ta yeah. an ala, said, ่เป็นคนชั่วอัลมุจริมุก็คือคนชั่วคนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah คนที่ไม่ปฏิเสธ Allah سبحانه และประเสรวันอัคราษฎร์พวกเขาจะคาดหวังว่าเรา ف ะฟตดี ถ้าสมมุติพวกเขาสามารถที่จะไถถอนตัวเองจากการลงโทษในวันอนัคราตเนี่ยไถยตัวเองด้วยอะไรบีเบลนีไถตัวเองด้วยลูกหลานของตัวเองอัลลอฮฺไม่มีอะไรที่จะหนักไปกว่านี้อีกละคนเป็นพ่อยอมที่จะเอาลูกของตัวเองให้เข้านรกแทนโดยที่ตัวเองขอเข้าสวรรค์ เนี่ยง่ายๆทุกวันนี้พอ่อแม่ของเรารักเราถึงขนาดที่ว่าอาจจะตายแทนเราได้ถูกต้องไหมครับคนเป็นพ่อแม่อะ่ะบางทีลูกโดนมีดบาดหรือลูกโดนอะไรนี่ยอมที่จะตายแทนลูกแทนแทนได้แต่วันอะเครัสเนี่ยถ้าตัวเองเป็นชาวนรกยอมที่จะให้ลูกมาเป็นชาวนรกแทนแล้วตัวเองขอเป็นชาวสวรรค์ น, นี่คือความหมายของอายัดนี้ เพราะความหนักหนาของมันแล้วจะฟตดิมินอาซาบิเยมิอิ้นบิบันิยอมที่จะเอาลูกมาไถ่ตัวเองให้ออกจากนรกแล้วตัวเองก็เข้าสวรรค์อว่ซอฮิบาติฮีวะอาคีถ้าไถ่กับลูกไม่ได้ไถ่กับเมียรภรรยาซอฮิบาไว้ถึงภรรยาเอาภรรยาฉันไปฉันขอออกจากนรกฉันขอไปอยู่ในสวรรค์ ว่าอาขี้หรือไถ่กับพี่น้องของตัวเองว่าฟอซีและที่หินละทีถ้ายังไม่พอขอไถ่กับคนในก๊กในเผ่าทั้งตระกูลถ้าคนเดียวเนี่ยสมมติว่าเอาลูกมาคนเดียวยังไถ่ตัวเองให้ออกจากนรกไม่ได้เหมาทั้งตระกูลเพื่อให้ตัวเองรอดยอ่อมท่านทำได้ยังไม่พอว่ามนในที่ดิจะมีอหม หรือถ้าเผา่าถ้าเชือ้อตัวเชื้อถ้าตระกูลของตัวเองก็ยังไม่พอเนี่ยยอมที่จะเอาคนทั้งโลกถ้าทำได้เอาคนทั้งโลกมาไถ่แล้วตัวเองก็รอดจาก น, นรกไม่ใช่เรือเล็กแล้วนะครับลาอิลัยลลอฮฺวะมันฟิล้อร์ดีจมีอันซุมมายุนจีขอไถ่ตัวเองกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ด้วยคนทั้งโลกพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าวันอัครยรัตเจ้าลอสวาลแลได้เตรียมสำหรับคนที่เป็นอัลมุจริมนะอัลมุจรนะิมอนะัลลอฮุซุบะฮวตลาบอกว่ายอมที่จะทำทุกอย่างแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมถ้าจะเอาคนทั้งโลกมาไถ่ตัวเองถ้าบอกว่าเอาลูกมาไถ่เนี่ยยังพอมีความหวังอยู่แต่ลอสวาลแตล นะเริ่มจากลูกภรรยาแล้วก็พี่น้องแล้วก็คนในวงตระกูลยังรู้สึกว่าเออมันยังพอไปไหวอยู่แต่พอบอกว่าเอาคนทั้งโลกมาถ่ายในแสดงว่าไม่ใช่ละที่เอามาสำนวนประโยคของอัลกุรอานที่เอามาอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะตอกย้าว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบตัวของคุณเองอย่าไปหวัง นะว่าจะพึ่งกูเปียกปังได้ไหมถ้าเป็นคนศาสนา้าคนคนพูดธเขาบอกว่าอะไรนะอ่าบวชให้แม่หน่อยนะลูกแม่จะอะไรนะแม่จะอะไรนะเกาะผ้าเหลืองเกาะผ้าเหลืองเข้าสวรรถ้าเป็นถ้าเป็นคนอิสลามก็อ่าอะไรนะเข้าเข้าเข้าซูเราะหน่อยนะลูกแม่จะเกาะกูเปียกเกาะจูบอเข้าสวรรคนี่ได้ไหม ไม่ได้ครับอเราบอกให้ลูกเราเรียนอลกรุรอานเราบอกให้ลูกเราละหมาดเราไม่ได้ละหมาดอย่างเงี้ยเราจะเกาะผ้าลูกไปสวรรค์ไม่ได้แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับลูกมีประโยชน์กับเราในเรื่องดุเนยียและในเรื่องอัคราสถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดีใหนะ้ลูกเราเป็นคนดีนะเราลูกเราละหมาด อะไรอีกทาดีทุกอย่างเป็นอาเลมเป็นโตครูเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาหน้าที่ของมุกมินด้วยเนี่ยลูกเราก็ช่วยไม่ได้ตัวเองต้องเป็นมุกมินก่อนอยากจะให้ลูกช่วยเนี่ยตัวเองจะต้องมีเงื่อนไขครบก่อนลูกช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาสัลลอห์สุภาอานาอิซานแลเราเป็นผู้ศรัทธาด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <ม>เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัว ในคันลองของอิสลามด้วยอันนี้ต้องเข้าใจนะครับอาอะลเดนซาลีฮินยัตูละหุเพราะว่ามันมีตัวอย่างในอดีตที่อัลลอฮ์ทรงแต่ลยกอุทาหอให้กับเราคนเป็นพ่อกับคนเป็นลูกไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ถ้าว่าถ้าถากลูกว่าเป็นเป็นคนที่ศรัทธาพ่อไม่ศรัทธาก็ลูกก็ช่วยไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวของท่านนาบีนบีอิบรฮม e อะไรซาลาหอบีุลเบาะอิมเป็นถึงเป็นถึงนบีแต่ช่วยพ่อของตัวเองไม่ได้พ่อกับลูกถ้าพ่อเป็นคนดีลูกเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ชั่วเป็นคนที่ไม่ศรัทธาต่อรัศมีรัศมีอะไรพ่อช่วยเหลือลูกได้ไหมไม่ได้นบีไหนฮะนบีนูฮะเลห์ฮิสซลาหภรรยาก็เช่นเดียวกันในาภรรยาของนบีลูฮอลห์ฮิสซลาห์ภรรยาเป็นคนชั่วในขณะที่นบีลูฮเป็นถึงนบีก็ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ เป็นเป็นข้อทีจริงที่เราจะต้องร้อนนะนะครับต้องดีกันทุกคนถ้าทุกคนดีอันเนี้ยสุดยอดพ่อเป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุลต่านลูกก็เป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุลต่านในวันอาคราอัลลอฮฺสุลตานจะให้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวถึงแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวบางคนอาจจะอยู่ในสวรรค์ที่เขาเรียกว่าระดับล่างกว่า สมมตินะครับในสวรรค์ข้างหน้าเนี่ยพ่ออยู่สวรรค์ชั้นที่สูงลูกอยู่สวรรค์ชั้นล่างกว่าแต่ต่างคนต่างก็เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺสุบไบร์ตอัลาจะยกระดับให้ลูกของเรานี่ได้ขึ้นมาอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงเท่ากับเราเป็นการให้เกียรติให้เราได้เป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงให้คนในครอบครัวขององค์เทพเป็นชาวสวรรค์ให้หมดแล้วเราจะได้เป็นครอบครัวใหญ่ในสวรรค์อีกรอบ น, นี่เป็นข้อท็จจริงที่เราจะต้องช่วยกันสร้างให้ครอบครัวเป็นครอบครัวก็เรียกว่าครอบครัวของชาวสวรรค์ไบติยันนติบ้านของฉันก็คือสวรรค์ของฉันต้องขอด้อนวอนเราต้อาเปิดใจครอบครัวของเราต้องทําตัวอย่างให้ดีต้องหมั่นขอจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะละให้ครอบครัวของเราได้เป็นชาวสวรรค์ให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่สามารถที่จะ ช่วยเหลือใครได้เลยนะครับคืออินนาละซอบคืออินน์าละซอบหมายถึงอะไรนะครับเป็นการพร่ามจากอัลลอฮฺสุบบะฮฺทาลถึงความที่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยถ้าว่าจะขอไถ่ตัวเองจากอาณาจขอัลลอฮฺสุบบะตฺลในวันอัคครัดเพราะว่านารกจันน้ำนั้นเป็น ลาอิลนะครับเป็นอะไรเนะดี๋ยวเรามาดูกันรอบหน้าก็แล้วกันว่าคำว่าลาอิลหมายถึงอะไรและความน่ากลัวของนรกยันนำนั้นในสุรตุลมาริชได้พูดถึงเอาไว้ขนาดไหนนั้นอินชาอัลลอฮฺสุภาอัลตละนะครับแล้วก็จะได้ทราบถึงจุดอ่อนของเราละนะต่อไปอีกสองอายัดเนี่ยอัลตละจะพูดถึงจุดอ่อนของมนุษย์ รวทั้งทางออกที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นเป็นได้พ้นจากจุดออดที่มีอยู่ในตัวของเราอินนัลอินซาน خلق حلوع إذا مسح الشر جزوع وإذا مسح الخير منوع อันนี้เป็นนิสัยที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคน อ, อัเลาแตาลาจะได้อธิบายนะครับว่าทางรอดกองนิสัยแย่ๆ yeah, yeah. ช่วยชั่วที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยอะไรคือการทรอของมันออุาาลรอบนแล้วันะครับอัลลอฮ ع ل ى علم صلى ا ل ل عليه و ص ح ل م سبحان ر ب رب العزة ي س ف و ن س ل ا م ع ل َ ا ل ر س ل ِ م ح م د ُ ل ل ه ا ل ع ا ل م ي ن السلام ع ل ي ك و ر ح م الله ب ر ك